ฝึกเน้นก็เหมือนกับจับปูใส่กระโดงอ่นะละเจ็ดชั่วโคตรเน้นเป็นยังไงบรรพ์หรุดเนะจ็ดชั่วโคตรก็ไปอย่างนั้นแหละพ่อแม่ปูย้าทาทวดแล้ยังลูกหลานเหลือหล่นอีกเจ็ดชั่วโคตรจะเป็นอย่างที่เขาเป็นอนนะ่ะะมันติดต่อขอานาด น, นั้นเลยเพราะนั้นเราคอายาม ใจมันเกิดอาการนิ่งรู้ให้มากที่สุดนิ่งแต่รู้รู้กาลแล้เทสะฐานะฐานะรู้บุคคลรู้เหตุรู้ผลทำอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้ก็เพราะเหตุอย่างนี้ตอนนี้ทำอย่างนี้ผลข้างหน้ามันจะเป็นยังไงมันจะรู้ไว้ก่อน เราก็เลยตอนนี้ฝึกหัดอยู่ตามเหตุตามปัจจัยกันไม่ทาอะไรตามใจตัวเองเพราะตอนนี้หลังทาวัดจบเราก็นั่งปฏิบัติธรรมกันจะกิงท่า น, นิ่งๆปฏิบัติกันสักสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก็ดี mm hmm. มัมีพลังแต่บางคนยังไม่เข้าใจนะตายังไม่มียังไม่มีความเห็นที่มตรงที่มันถูกต้อง ก็ต้องสร้างความเห็นกันก่อนให้ศรัทธาในระดับของการฟังเกิดขึ้นมาให้ได้มันจะได้ไม่เสียเวลามันน้อมเข้ามาเป็นนโมตจ่าที่เราสวดกันนั่นแหละนโมตจ่าก็าขอนอบน้อมอะไรที่ควรนอบน้อมก็ามาใส่ตนความดีนั่นะคือความดีของ แม่โมคือความดีของพ่อนั่นคือความเย็นโมคือความร้อนเก็บมาใช้ถูกต้องน้อมเข้ามาใส่ตนนั่นคือหญิงโมคือชายหญิงชายประโยชน์อยู่ตรงไหนคุณค่าอยู่ตรงไหนน้อมเข้ามาใส่ตัวอีกมากมายแลือเกินนะโมตัสะขอนอบน้อม ชืนเราได้จะมีพลังมันจะได้มีพลังความดีมันจะได้มีพลังความดี ม, ด ม, ม, ดมีกําลังใจดเดี๋ยวว่าสติสศีิสมาธิปัญญาเราก็น้อมเข้ามาไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังรู้จํารู้จักรู้จักรู้จําเอาไปทําให้มันเกิดขึ้นในตัวเรานะเพราะสัจจะคือความจริงมีอยู่ที่คนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือว่า น, นุ่นโอสมเด็จสัมมาสูตรเจ้าหรือว่ากี่พระองค์มาก็ตามธรรมชาติตัวนี้นะถึงไม่มีใครค้นพบมันก็มีอยู่แล้วทุวกขนทุกแหง่ง mm hmm. การสัมผัสธรรมเนี่ยไม่ยากหรอกมันมีอยู่ทุกคนทุกแหง่งพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ทุกคนทุกแหง่งกลาบตรงไหนก็โดนหมด mm hmm. เพรามอยู่ในใจเราข mm hmm. างใจเราเนี่ยแหละ mm hmm. คือภาวะของพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ พุกจตนาจเลนทำมามันเจริญก็คือเราไม่ทุกข์ทุกในตัวเรามันลดลงทุบกระกายพระใจมันโทกไขทุกเฉลยถอดรหัสออกมาจนกะทั้งได้คำตอบชัดเจนกายคืออะไรจิตใจคืออะไรจะศึกษากันยังไง กายใจของเราต้องรอให้ตายก่อนจะไหมแล้วคนอื่นมาผ่าศพของเราดูอาจารย์ใหญ่มันก็ไม่ใช่เราก็ต้องศึกษาแต่เป็นๆอยู่เนี่ยละชีวิตร่างกายของเราต้องเคลื่อนไหวนะพลังชีวิตเราต้องเคลื่อนไหวส่วนจิตใจที่มันมีพลังเนี่ยต้องนิ่งร่างกายที่นิ่งแสดงอ่อนล้าเต็มที นอนลับพักผ่อนป่วยหรือว่าตายมันเลื้มนิ่ง mm hmm. พลังของชีวิตต้องเคลื่อนต้องไหว mm hmm. จิตนี่เคลื่อนไหวมากมากหมดพลัง mm hmm. มันสั่ดายแสายสายฟุง้งซ่านสับสนม mm ัน hmm. เป็นเรื่องของสัมปเวสี mm hmm. ไม่มีพบไม่มีภูมิที่มันเลือกได้ mm hmm. ไปตามยถากรรม จะคิดอะไรก็ได้อะไรคือความออนแอที่สุดเลยเดี๋ยวก็เป็นโลภาศาสตรคิดอะไรก็ไ ด, ค ด, ได้คิดให้ตัวเองหัวเราะก็ได้คิดให้ตัวเองร้องไห้ก็ได้เรื่องผ่านมาแล้วสิปียี่สิปียังเก็บมาคิดยังทุกข์ได้ใหม่เราก็เลยมาถอรลหัสกันห๋อไก่นิน่ง มันเป็นเรื่องของความออนแอร์กายที่แข็งแรงต้องเคลื่อนต้องไหวทำงานทำการได้สมประสงค์จิตก็เหมือนกันมันต้องนิ่งเขาวุ่นวายเราไปวุ่นวายเขาได้ไงก็มีปัญหาเรไปมีปัญหาเขาได้ไงเขาทุกข์เราไปทุกข์เขาทำไมเขาหัวเราะเราหัวเราะเขาร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยอินดูหนังดูละครลืม ยดูตัวเองอินเห็นทุกคนอื่นเราก็เป็นทุกของเราแบกไว้ด้วยคนละเรื่องกันเลยทํางานทําการกันเหมือนกันมันเรื่องของเราที่ไหนเราต้องเก็บอาการงานปัญหาของขามัเป็นความทุกของเราแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทํางานให้สมบูรณ์งานการของเราไม่ล้มเหลวก็ดีไป แต่ถ้าหากว่าการงานของเรามล้มเหลวแต่ชีวิตของเราไม่ล้มเหลวมันสุดยอดชีวิตของเราไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรเลยก็ทำสุดฝีมือแล้วอะแสดงออกเต็มที่แล้วทางกายวาจาใจก็วางใช่ไหมเพราะนั้นการรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราจะได้มีโอกาสเดินตามความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆสติปัญญาจะพาเดินนะไปเห็นความจริงของชีวิตเราเนี่แหลนะเพราะนั้นการเคลื่อนมือนะแต่ละจังหวนะกายเคลื่อนไหวใจหยุดรู้นะใจของเรามันหยุดรู้มันไม่ได้คิดสัดสายแส่ใส่ถึงคิดก็ถูกรู้อีกแ พอมาคิดปั๊บรู้ปุ๊บคิดปั๊บรู้ปุ๊บคิดเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นละรู้เท่ารู้ทันจริงๆเดี่ยวมืออาชีพเลยฝึกกรรมาฐานคราวนี้แหละความคิดมันจะอ่อนตัวที่มันเคยคิดเป็นอารมณ์ตกค้างข้ามวันข้ามคนมืนจะอ่อนตัวไม่น่านหรอกถ้าเรายังเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่ระบบระเบียบ การจัดการเป็นวินัยเกิดขึ้นมาที่กายที่วาจาที่จิตใจของเราก็คือศีลปรากฏเนี่เรารู้จักเลยอ๋อศีลคือสภาวะแบบนี้แหละจิตปกติวาจาปกติร่างกายของเราก็ปกติอ๋อนี่มันศีลเนี่นะเมื่อก่อนนี่ศีลไม่ได้เป็นใหญ่สติไม่ได้เป็นใหญ่สมาธิไม่ได้เป็นใหญ่ปัญญาไม่ได้เป็นใหญ่ ตาโอหจมกูกเล่นเป็นใหญ่ความหลองเป็นใหญ่ mm. เกิดการปรับปรุ ง, mm. ง, งแต่งแต่งมากมายเหลือเกิน mm. อย่างเช่นเราเดินผ่านเห็นไหมซ้ายมือมีรูปปั้นมากมายเหลือเกิน mm. เรียกว่าสวนสัตว์ก็ได้มีสัตว์หลายตัวเลยนกซีก็มี mm. เห็นไหมมีเสือมีคนขี่เสือนะมีวัวมีช้างมีหมาเห่าช้างมันคือสภาวะธรรมนั่นกันเลย ที่เป็นประโยคออกจากปากของหลวงพอ่อมเขียน mm hmm. เช่นคนขี่เสือคนขี่สังเกตไหยคนที่นั่งอยู่สบายมากเลยไม่มีอาวุธเสือก็ยอมให้ขี่ด้วนั่งแบบสบายๆเสือก็ยอมให้ขี่ด้วยมันหมายกว่าว่าไงเสือก็หมายถึงกิเลสนั่นแหละ คนที่ขี่ไปถึงสตินั่นแหละขี่คอมันมันวิ่งไปไหนเราก็ไปด้วยมันดูร้ายขนาดไหนมันกัดเราไม่ได้หรอกไปด้วยกันแต่หลายคนเนี่ยโหรงไม่ได้หลังสือรองแล้วเดี๋ยวถูกมันกัดทํางานแล้วลงไม่ได้หยุดไม่ได้เดี๋ยวโดนตรวจสอบอย่เงีธุรกิจเนี่มันทํางานจนกระทั่งเป็นพัน 1, ล้านร้อยล้านอย่างเงี้ย น, นะ ลงมาทางานต่ํๆไม่ได้บริษัทจะเจ๊งไม่ได้ขี่เสือท้ายเสือคือเดี๋ยวลงแล้วเสือกัดคิดอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของคนมีสตินะีกขี่มั น, นมันไม่กัดหรอกเสือกิเลสเป็นสาเหตุที่ไว้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราไม่หลงเข้าไปนในการคิดการปรุงกันแต่ง กิเลสเกิดขึ้นมาเราเห็นแล้วยโอเกิดปัญญานะมีแต่ปัญญาเพราะมีกิเลสนี่แหละมันจึงมีตัวหลุดพ้นเกิดขึ้นมาเพราะมีความหลงนั่นแหละจึงมีตัวหลุดพ้นเกิดขึ้นมาเพราะมีความทุกข์นั่นแหละจึงมีตัวหลุดพ้นเกิดขึ้นมาใช่ไหมมีโกรธก็มีไม่โกรธมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์ไม่เจ็ไม่ใช่ภาษาไม่ใช่สัมนวนธรรมดา แต่ไม่ถือว่าเราฝึกความรู้สึกตัวอย่างเนี้ยมันก็จะเห็นวอ๋อเวลารู้สึกตัวมีสติอยู่นะความคิดเกิดขึ้นปั๊บโลแล้ววิชากอาวิชาเลยแต่เมื่อกี้เราสวดถึงปฏิจจสมบู บ, บัณนฑะ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมบู บ, บัณฑ ผู้ใดเห็นปฏิจจาวัตถุบาตรผู้นั้นเห็นธรรมเป็นคำที่องค์สมเด็จสัมมาวันเจ้าได้พูดเอาไว้นะประโยคนี้ mm hmm. กับพระกระเทยรูปหนึ่งรู้จักไหมพระกระเทยรู้จัก mm hmm. กระเทยไหมรู้จักกระกระเทยมาบวชพระนั่นแหละก็คือพระกระเทย ชือพระวกรลิกนะอันนี้จามาเล่าให้ฟังอดัมาก็ไม่เคยเจอหรอกตัวจริงของพระวกรลิกกับพระวิเจ้าสองพกว่า ป, ปีแล้วเหมือนกับพวกเรานี่แหละปากฏาพระวกรลิกนี่หลงรักพระเจ้ามากจับชายชีวรลูกแข้งลูกขาถอนขนนแข้งพระเจ้าเล่น หลปเล็บช่วยแคคีเล็บให้บันวันไม่ไปไหนเลยนะอ้ อ, อยอิ่งก็เคลียร์ถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกไงหมันไส้ไหมจะไปไหนก็ไม่ไปเดี๋ยวดีสะเทีเรอ อ, อะไรเงี้ยนะแต่พระเจ้ามีเมตตาก็ให้อยู่ใกล้นั่นแหละจนวันนึงก็รู้สึกว่าเต็มที่แล้วพะกะลิศนี่ ได้คือชาศอกได้ศอกยาวาก็เลยอันนี้คิดเอานะนึกเอามันคงจะเป็นอย่างนี้แหละอ ก, ก็เลยมั่นใจแล้วไปวักกะลิกจะไปไหนก็ไปปรากฏจะเป็นไงกระเทยพระกระเทยงอนนะทีทนีก้ก็ไปก็ได้อะไรเงี้ยนะคงจะงอนเด็มที่แล้ ก็ไปนอนปลอมใจคูร่รักสลัดรักอย่างงี้นะตอมใจไม่สบายเลยจับไข้เพื่อนไปเห็นก็โอ้เป็นยังไงวะกะลิกไม่พูดสักคำานึงก็เเอยมันงอนก็เลยไปบอกพระพุทองค์ว่าเนี่ยพระวกระลิกเนี่ยไม่ค่อยสบายมากๆแล้วก็แว่วๆมาว่าทําท่าจะไปกระโดดเหวตาย พระองคเนี่ยตัดลักพระวะกระลิกเนี่ยพระเจ้าได้ยินอย่างนั้นก็เลยเดินไปหาที่กุตติพระวกระลิกก็นอนหันหลังใหนะ้รู้แล้วว่าเออคนที่เราลักก็เดินมาไกลๆเห็นแล้วทำเป็นงอนหันหลังฟุ๊บก็แห่เจยเฉยานะพระเจ้าก็เลยค <c oughs> งจะแก้มมันนะคิดเอา วัากะลิกวัากะลิกนะีใช่เชียวนะก็เข้าไปใกล้อีกวัากะลิกนะีคงจะมือไปแตะแตะให้รู้สึกตัวนะก็คงจะสะดิดสะดิ่งหนะ่ <H ö ng> อะไรเงี้ยตัวเองอ่ะมาทำเขาทำไมอะ่ะอะไรเงี้ยนะ <H ö ng> อาการนี้แหละไม่มีอะไรไป ม, มากวันนี้เรากระเทยอะนะโอ้พระเจ้านี่ตัดคำที่เราสวดกันนั่นแหละว่ากะลิก ที่รูปที่คำเราอะไม่ใช่พระเจ้าหรอกเมื่อหนังมังสาเมื่อใดเห็นเรามา่อนั้นเห็นธรรมเมื่อไรเมื่อใดเห็นธรรมเมืนั้นเห็นเราตถาคตที่เราสวดกันเมื่อใดเห็นธรรมเนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคืออะไรก็คือรู้กับหลงนั่นแหละ จะรู้ได้ไงตอนนี้ก็รู้ตัวอยู่หรือเปล่าเกื้อนไหวรู้สึกอยู่หรือเปล่าตรงนี้เลยมันเผลอหลงไปในความคิดไหมหลงกลับมาได้ไหมอันดับแรกเลยตอนเราเห็นสภาวะของความรู้สึกเกื้อหนุนไหวขยับรู้สึกนั่งเดินยืนนอนรู้สึกี้มันก็จะชินอะไรแบบนี้ยคุ้นชินเกิดนิสัยใหม่เปลี่ยนต่างจากภาวะเก่า ล่วงจากภาวะเก่าๆที่ชอบเผลอหลงเขไปนในความคิดนะปรุงแตง่งจะเป็นความพอใจไม่พอใจกลายเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาันดับแรกจับตรงนี้ให้ได้จทถึงเหมือนกับว่าเออทําไปทํามาเคลื่อนมือมันมีความรู้สึกจิตมันปกติดีเราสังเกตได้วันนี้ที่ไปบัตรมันปกติหรือไม่ประเมินเอา มีความง่วงไหมมีความคิดฟุง้งซ่านไหมเจ็บปวดไหมเบื่อมีไหมหรือบางทีมันมีความปกติธรรมดาธรรมดาสงบอยู่ตื่นตื่ น, นรู้รู้อยู่มีไหมบางครั้งบางกล่าวเซี่ยวช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอย่างเงี้ยแวบแวป๊บบแแบบแอย่างเงี้ยนะ <c oughs> มันก็จึงเป็นเรื่องที่เราต้องก็ตื่นหรือล้นนะมันเป็นวิธีการเป็นรูปแบบที่ มันมีเทคนิคนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอยู่เราก็สังเกตเอานะขณะเราวางหน้าวางตาวางเนื้อวางตัวนะวางกายวางใจนะนะมันเกิดความเป็นปกติบ้างไหมนะนะเกิดความสมดุลนะนะมันไม่หนักมันรู้สึกผ่อนคลายทําแล้วมันสะดวกยกเรารู้สึกมันรื่นเริงจิตใจปลาโมนะด ก็แสดงวิชาทำให้เกิดความเชื่อกันมาแล้วนะเบื้องต้นนะเคลื่อนว่าออพอรู้สึกตัวแล้วจิตไม่หลงไปในความคิดปรงุปร ง, รงแต่งเสร็จแล้วมันก็ออมันมีอาการแบบนี้ได้เลยเมื่อก่อนเราต้องเก็บกดนะเวลามีความคชื่ออะไรเกิดมากเก็บกดเอาไว้หรือไม่ก็แกล้งกบเกลือนนะเที่ยวเตะเล่ร่อนดูหนังฟังเพลงนะไปหาความสุขที่คณดื่มได้สุขสมอยากเียนะ แต่พอเราเคลื่อนมือเรารู้สึกมันกลายเป็นนิรามิสุขไม่ใช่อามิตสุขเป็นสุขที่ไม่ต้องยิงอามิตอย่างเงี้ยมาเริ่มและเห็นประเด็นตรงเนี้เกิดขึ้นมาขณะที่เราปฏิบัติเอ๊ะมันอยู่ได้ด้วยเนี่ย <c oughs> ปกติต้องเพึ่งวัตถุหนึ่งสองสามต้องไปเพิ่งบุคคลหนึ่งสองสามชีวิตไปฝากไปแขวนไว้กับภายนอกแต่พอมารู้สึกตัวปั๊บเออเอามาไว้กับตัวเอ๊ะมันเปลี่ยนไปฮะ มันรู้สึกว่าจิตมันมีกําลังขึ้นมาเกิดแรงใจขึ้นมาใจมันมีแรงมันก็เลยรู้สึกว่าเออแป๊บแปหมดวันนะรู้สึกแป๊บแป๊บก็หมดชั่วโมงแล้นะไอป๊บแป๊บทำไมมันเร็วจังเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งนั่งเหมืนก็เราทํางานเราติดลมเพลิดเพลินเวลาทํางานเราเกิดรู้ความรู้สึกลื่นเริงเพลิเพลินขึ้นมาอันนี้แสดงว่าเริ่มต้นแล้วนะ อารมณ์ปฏิบัติเริ่มแสดงออกมา mm hmm. มันจะเริ่มมีความอร่อยธรรมรสนะธรรมรสเบื้องต้นให้เราได้สัมผัสได้ริมรสชาติของธรรมะเมื mm ่อ hmm. ก่อนเนี่ยเราลิ้มรส mm hmm. ชาติของบุญเป็นบุญนิยมเกิดขึ้นมา mm hmm. ได้รสชาติของวัตถนะุเป็นวัต ถ, ถุนิยมเกิดขึ้นมาบร mm hmm. ิโภคนิยม mm hmm. อย่างงี้ยนะ เกิดทนนิยมมีเงินมากๆเอาไปซื้อความสุขกันจนเกิดโฆษณาต่างๆทางทีวีปลุกเล่าสร้างกระแสชี้นำเราก็เผลอหลงไปนึก ว, ว่าทําอย่างที่เราเห็นแล้วจะมีความสุขชีวิเราทุกชีวิตก็จึงมีต้นแบบมากมายเหลือเกินแบบไหนล่ะกับแบบไหนก็ตามล่ะที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนก็จะมีความสุขแล้วก็หลงเผลอไปยึด แล้วก็ตะกายตะเกียดไปคว้าแล้วมันก็ไม่ถึงสักทีขเขย่งเราก็เลยมีความรูออ้มันไม่ถึงสักทีมันไม่ใช่สักทีนะเงินเยอะขึ้นตำแหน่งดีขึ้นแต่ทาไมมันยังทุกข์อยู่มันไม่ได้คำตอบในชีวิตของเราอย่างนี้นะอันนี้แหละนะเราก็จึงมาฝึกมาหัดพิสูจนะ์ไม่ใช่เชื่อ การเคลื่อนการไหวแต่และกษณะการเดินจงกรมกลับไปกลับมาส่วนนี้กลุ่มหนึ่งกับคนที่ศรัทธาก็ได้ลงฐานแล้วก็เห็นว่ขนาขณะที่เราอยู่กับตัวเองเป็นยังไงบ้างจิตของเรารู้เนื้อรู้ตัวมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่คิดมันง่วงมีความรู้สึกตัวอย่างนี้นนก็จะเกิดความชํานาญยิ่งขึ้นไปอย่างง่าย มันง่ายแล้วคราวนี้เราจะเห็นมองย้อนกลับไปเมื่อก่อนเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมเสียศูงย์ง่ายง่ายเกิดความทุกข์ง่ายปัญหาเล็กนิดเดียวอะแต่ทำไมเหมือนกับใหญ่โตมากๆเลยพอมีสติมันย้อนกลับไปดูกลายเป็นปัญหานิดเดียวเองเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กนะคนมีสติแต่ถ้าคนไม่มีสตินะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โอ้ผัวเมียมีรรักกันนะ ก็ยังหาเรื่องมาทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้เป็นไหมโยชเคเป็นไหมยกตัวอย่างเช่นไทยอีสานนะอันมาเคยได้ยินนะเรื่องนี้ที่อีสานนะว่าผัวเมียเนี่ยเขารักกันมากเลยแต่ด้วยการสองคนเป็นช้างที่เดินตะแคงข้างนึกออกไหมผัวเมียเป็นช้างที่เดินตะแคงข้างปกติในช้างต้องเดินเป็นไง เท้าหน้าและเท้าหลังใช่ไหมผู้ชายเป็นเท้าหน้าแต่ผู้หญิงเป็นเท้าหลังมันมีปูนซีเมนวางอยู่นะใครไปเอาสังสีปิดทีมไปตรงลานหินโคง้งสักคนมาเร็วคนที่รู้ที่ว่าปูนซีเมนอยู่ตรงไหนอะนะเอาลงวันนี้ประมาณสิบยี่สิบู เอาสังกสีปิดทีนึงพอฝนตกปป๊บจิตมันก็ น, นึกถึงแล้วตรงไหนไม่ปลอดภัยตรงไหนปลอดภัยมีอะไรต้องดูแลมันบอกเลยถ้าใครไปช่วยไปปิดได้ปิดทีนึง mm hmm. อ่ะคราวนี้มาต่อว่าเมื่อกี้นะลองดูนะมันเป็นแค่เรื่องเล่าสะท้อนเฉยๆว่า สามีภรรยาเนี่ยเขาทำงานนะแล้วก็ชีวิตเ ห, หนื่อยสร้างเนื้อสร้างตัวในวัยของขลือหัดสร้างฐานะหาเงินหาทองไม่เคยฝึกหัดปฏิ บ, บัติธรรมสามีกลับถึงบ้านก็นั่งกระดิกเท้าภรรยาเขาก็หุงข้าวหาปลา สามีก็บอกภรรยาว่าประตูวันเนี้ยยังไม่ได้ปิดเลยให้ไปปิดประตูทีหนึ่งภรรยาก็บอกไปปิดช่วยหน่อยซีกําลังทํากับข้าวอยู่เดี๋ยวได้กินข้าวเย็นกันสามีก็เลยตะโกนสวนกลับมาว่า้็หน้าที่ของเองไงงานของเองยังไม่เสร็จเลยนะไปทําให้เสร็จภรรยาก็ตะโกนบอกม า, าช่วยหน่อยซีข้าวก็จะสุกอยู่แล้วเนี่ยจะได้แกง ทำกับข้าวจะได้เสร็จแล้วมากินได้กันก็หน้าที่ของเองไงดูนะถ้าเป็นเราเราจะไปช่วยไหมผู้ชายแต่ในเรื่องนี้ไม่ช่วยเลยละ่ะหน้าที่ของเมียเพานั้นก็นั่งเสร็จแล้วตะโกนไปอีกมืดแล้วนะไม่มาปิดเด้อเดี๋ยวก็คนเข้ามาหรอกภรรยาก็บอกแค่นี้ก็ช่วยกันไม่ได้หรือไง ใจดำไม่มีน้ําใจข้าวเครือไม่ต้องไปกินมันแล้ววันเนี้แทนที่จะได้กินข้าวเริ่มอดกินข้าวเลยไหมเจรพัญญากันเงียบเลยผัวก็บอกไม่ต้องพูดอะไรมากนะถ้าเองพูดมาอะไรออกมาปิดประตูได้นะเออก็ได้เหมือนกันแหละถ้าเองพูดมาอะไรไปปิดประตูนะใครพูดก่อนปิดประตูงานเนี้นก็ น, นิ่งเฉยจนกระทั่งมืดค่าแล้วะ ประตูบ้านมันก็เปิดอยู่ไม่มีใครไปปิดช่างตัดผมนัดไว้ว่าพรุ่งนี้จะมาตัดให้กับผู้ชายแต่ว่ามันมีธุระเย็นนี้จะต้องตัดก็เลยเดินเข้ามาเห็นประตูมันเปิดก็ถามว่าจะเอาทรงอะไรวันนี้พอดีมันว่างพรุ่งนี้มีธุระไม่ว่างก็เลยตัดให้วันนี้เลยก็แล้วกัน จะเอาส่งอะไรผู้ชายก็ไม่กล้าตอบว่าเดี๋ยวโดนไปปิดประตูก็เฉยอย่าช่างแต่ผมก็เลยไถยเลยวัดวัดวัไฟมันดับปึบประเดี๋ยวคอยก็ไฟไม่มาหัวมันก็ไถขาวเวอร์ไปซ่งแล้วนะนะล้ออีกไฟก็ยังไม่มาอีกก็เลยพูดกับ ลูกค้าช่างตะผล พ, พูดกับลูกค้าว่าเอาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็แล้วกันตอนเช้าก่อนที่จะไปธุระจะมาตัดต่อให้สามีก็สามีก็เงียบเฉยไม่พูดพูดไม่ได้ได้โดนปิดประตูภรรยาก็เห็นเงียบฝนก็ตกไปก็ดับเอหัวสามีพอนา น, านๆเข้าใจมันก็เย็นลงเย็นลงก็นึกอยากจะจุดตะเกียงไปให้ อยู่เมืมดๆ่านนิยมก็กัดโอ้น้าของศาลก็เลยจุดตะเกียงไว้ให้แสงตะเกียงก็เห็นที่ศีสากของสามีว่าเออมันแปลกๆไปขาวเว่ๆแว๊บๆอยู่นั่นน่ะก็ขำนะว่าทําไมมันตัดผมทรงอะไรมาทําไมไม่ตัดให้เสร็จเนี่ยก็เลยถามสามีแบบขำๆว่าเออตัดผมทรงอะไรวะนะผู้ชายนิ่งเฉยอ ย, อยู่น่ะ หลังจากทุกหญิงพูดจบเนี่ยชี้นิ้วไปทางประตูนะไปปิดประตูรอจังหว่าอยู่อ่ะพูดมาอะไรก็ให้ไปปิดประตูเคยไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อ, อดกินข้าวเลยวันนั้นอย่างงี้ยทะเลาะ บ, บ่อแว่งกันอันนี้ก็คือเรื่องเล่าหลวงพ่อเขียนและเป็นก็เล่าให้ฟังเรื่องเนี้ยก็จําได้ว่าเออมันมีรสชาติดีในเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของผัวผัวมียเมียที่คําพูด่ะ เรื่องไม่เป็นเรื่องกักลายเป็นเรื่องขึ้นมามัมขาดหม้อข้าวขาดแกงแรงน้ําใจประเภทยเนี่ยแต่ว่าด้นการฝึกสติไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกมีหน้าที่อะไรก็ทําทำท ำ, ท ำ, ท, ำทำไปทําให้เสร็จเสร็จไปสมบูรณ์แบบถ้าหน้าที่ของเราไม่บกพร่องแล้วก็เออเขายังไม่พอใจอีกก็ไม่เป็นไรงานของเราชีวิตของเราไม่บกพร่องกับใจได้แล้ว ไม่ว่ากันนะก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเริ่มต้นชีวิตกันโดวยว่าผู้ใหม่จะได้เอาสิ่งนี้นะไปพัฒนาเกี่ยวข้อกับบุคคลหน้าที่การงานต่างๆมีปัญหาเกิดขึ้นมามีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาจะได้รู้และออกทางออกมีทางหนึ่งคือกลับมารู้เนื้อรู้ตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเวลาเรามีวิชาวิชาทาให้เกิดศรัทธา มีความเชื่อเชื่อว่าทําดีก็ดีความทํเชื่อเขาเชื่อทํากรรมฐานเนี่ยมารู้สึกตัวรู้สึกตัวเดี๋ยวมันเกิดผลขึ้นมาก็คือจิตมันเกิดธรรมชาติภายในของมันความเป็นปกติจะแสดงออกมาทุกๆกขณะเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าโอธรรมะมีจริงธรรมะที่เป็นคําสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยมีจริงธรรมะที่เป็นคําสอนจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนหลวงปู่เทียนมีจริง พวกเราก็ยังไม่ได้เจอเลยนะัหลวงพ่อ เ, อเขียนหนะลวงปู่เทียนก็ยังไม่ได้เปิดให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะเปิดให้ดูอยู่เราได้เห็นว่าเออลองรอยของครูบาอาจารย์ท่านได้แสดงออกเป็นเม็ดสีอยู่ในจอนะหรือคําพูดของท่านนะเทคโนโลยีที่มันประกอบมันเก็บเอาไวนะ้เราก็ได้เผยแผ่จะได้น้อมกข้ามาว่าเออ การรู้สึกตัวหรือว่าการเคลื่อนการไหวแต่ละขนาดเนะี่ยมันพาเดินทางไปจริงๆแต่ว่าที่พูดนี่ไม่ต้องเชื่อนะเป็นแค่ว่าให้เกิดการกระทำให้มากถ้าทีจะทำได้นะการเคลื่อนการไหวนหะลวงปู่เทียนได้ชี้ไว้ชัดว่านะให้รู้สึกตัวให้ต่อเนื่องอันดับแรกนะเทคนิคแนวะหลวงปู่เทียนอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมี เพราะการที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยา่างเมีมันคือตัวตัณหาเป็นความทยานอยากปฏิบัติแล้วอยากได้อยากมีธรรมะอย่างนี้มันก็เลยเป็นลักษณะของหาไม่ได้เห็นของที่หามันก็ไม่มีนะแต่ของที่เห็นเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าของเรานเองด้วยการเคลื่อนกันไหวความรู้สึกตัวนะรู้ให้เป็นปัจจุบันขณะอันนี้คือเทคนิคหลวงปู่เทียน รู้แต่ละขณะแตรู้ให้เป็นปัจจุบันอย่างนี้นนะรู้ให้เป็นลูกโซนะ่ลูกโซ่คือรู้เป็นเปราะเป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปาะเืิดและหยุดรู้เปาะหนึงเกลืิดและหยุดรู้เปาะหนึงเกิดและหยุดรู้เปราะนึ่งอย่า น, นนะีคือเทคนิคแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องทอีนนี้จะเปรียบเทียบใ ห, ให้ว่าความต่อเนื่องหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่า อย่างเช่นเราทำดีอ่ะจะถึงดีอยู่แล้วเราก็หยุดซะก่อนมันไม่ต่อเนื่องนั่นก็เลยเริ่มต้นกันใหม่อีกนิดเดียวจะดีมีความสําเร็จอยู่แล้งี้หรือว่าเราต้มน้ําจะเดือดอยู่แล้วน้ําในกาเนี่ยต้ม1นาที2นาทีสนาทีห้านาทีสินาที30นาทีอุณหภูมิไฟมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อร อ, ร อ, องาศาเศษๆอย่างเงี้ยนะ้นําเดือดไหมยอมว่าพอถึงจุดเดือดร้อองาศาเเศษก็เดือดใช่ไหม แต่ถ้าต้มวันละนึ่นาทีแต่ต้มร้อยวันเดือดไหมทําไมไม่เดือดเลยก็นยังไม่ร้อนเลยใช่ปะแป๊บเดียวแต่ถ้าหนึ่งวันต้มมันร้อยนาที1นึ่ชั่วโมงเออมีสิทธิ์เดือดใช่ไหมอันนี้อุปมาอุปไมยเพราะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยนะจริงๆแล้วหลวงประเตียนแจ้งว่า สูตรสำเร็จอืดใจเดียวสู่การรู้แจ้งมันเป็นสูตรสาเร็จอืดใจเดียวนะสู่การรู้แจ้งเพราะฉะนั้นเราทําให้ถูกต้องมันทํายังไงก็รู้ปัจจุบันเนี่ยการเคลื่อนการไหวที่กายกายเคลื่อนไหวใจรู้อย่างนี้นะจแรู้ยังไงนะก็รู้ต่อไปเชื่อมโยงไปเรื่อ ย, ร, อยรู้เท่าที่รู้มันเผลอหลงไปก็กลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่และท้ายสุดก็คือเวลามันคิดก็เป็นความรู้สึกตัวโอ้ได้สแต้มเลยเป็นตัวปัญญา มารู้เลยว่านี่คือการคิดนะเสร็จแล้วออกมัก็กลับมาอย่างเนีน้เออนะนั้นเราก็เรียกว่าฟังเอาไว้นะแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติต่อไปบางทีเราอาจจะได้รู้ได้เห็นนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้พูดไว้นะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอ น, น, น, น, นต่อไปนะวันนี้ไม่รู้พุ่งนี้นก็รู้พุ่งนี้ไม่รู้มันก็เชื่อว่าวันต่อๆไปก็รู้ตามสมควรแก่การกระทํารู้สมควรแก่การ ปฏิบัติของเราแต่ละคนตามกําลังของสติของปัญญามันก็จะเป็นเรื่องของกําไรชีวิตเราเกิดมาแล้วได้เจอวัสดนานะซึ่งก็ยากเราก็ได้เจอเกิดมาแล้วนะได้เจอนะวิธีปฏิบัติแบบพุทธจริงๆฝึกสติมันเจอได้ยากเลยเราก็ได้เจอแล้วนะมาเจอแล้วมีการกระทําลงไปตอนนี้เราก็มีการกระทําลงไปรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากแต่เราก็สามารถที่จะรู้ได้นะ รู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยมาท้ายสุดมันก็จะเป็นทิศทางทานิพานมีจริงมักผลมีจริงก็ชาตินี้แหละเราก็จะได้เดินทางจริงๆริแล้วกัขณะนี้แหละที่เราจะได้เดินทางไปจริงๆริความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะ เ, ะ, ะเพราะนั้นอรมาก็จึงมีความเชื่อว่าทํากรรมฐานเจริญสติแบบนายหลวงพุท e x t e r n a หรือวิธีการใดก็ตามในโลกนี้รูปแบบอื่นๆก็ได้ ถ้าทำเขาถูกต้องและต่อเนื่องนะเราก็จะสามารถเข้าถึงสภาวะของความพ้นทุกได้ทุกคนนะและโดยเฉพาะในปวานชาตินี้ด้วยน ะ, ะอะไรมาเห็นว่าสมควรแก่เวลานะพวกเราก็กราบพระพร้อมกัน